อในวันนี้ดูสรุปทางปัญจทวารวิถีแบบเร็วๆหน่อยนะในปัญจทวารวิถีเนี่ยทั้งหมดนี่นะที่ท่านสรุปเกาไว้ก็คืออติมหันตารมวิถีโดยย่อหนึ่งวิถีโดยพิศดารสมมหันตารมวิถีก็โดยย่อสองวิถีแล้วก็พิศดารสพวกนี้ส่วนปริตารมวิถีหวิถีนะ ทั้งย่อและพิสดารเท่ากันอติปริตารมวิถีนี่ย่อ6พิสดานั้นมี7รวมแล้วเบ็ดเสร็จมีทั้งหมดกี่วิถีเนี่ยสิวิถีใช่มสิบห้วิถีเนี่ยแบบย่อ20วิถีนั้นแบบพิสดารฉะนั้นถ้า15วิถีคูณด้วยทวารหก็เป็น75หวิถีถ้า20วิถีคูณด้วยทวารหก็เป็น100วิถีนี่นะทีนี้ พอมาพูดถึงในเรื่องของเกี่ยวในเรื่องของอติมหันตารมณ์วิถีเป็นต้นเนี่ยดูในคาถาในอติมหันตารมณ์วิถีนั้นน่ะท่านบอกว่าอารมณ์ห้านี้ตามสมนวนคําแปลตามอภิธรร ม, มัตจสังขหารุ่นๆเลยเนีต้องดูคําแปลเขาดูว่าอารมณ์ห้าขณะล่วงไปแล้วเทียบเท่ากับอายุของจิต ด, ดวงหนึ่งท่านบอก ง, งั้นแม้ถ้าดูดูดูวิถีไปด้วยเนี่ยก็จะเห็น เปิดไปดูอารมณ์ดูในหน้า5ก็ได้ดูในหน้า5นี่ก็ได้แต่ในที่นี้ไม่ใช่อารมณ์5นะในที่นี้เป็นดูดุลแรกดีกว่าอันแรกในหน้า4ี่เนี่ยดุลแรกที่แถวไอเดียแถวตั้งนั้นเป็นอติมหันตอารมณ์วิถีอารมณ์5ให้เข้าใจนะคือทวีปัญเจาวิญญาณนจิตสิใช่ไหมก็แสดงว่าเขารับอารมณ์หและในวิธีเนี่ย คือรูปารม์สัตตารมกันตารม์และสารม์และก็โผลถารมมีขนาดล่วงไปแล้วเทียบเท่ากับอายุของจิตดวงหนึ่งเ ท, ทียบเท่ากับอายุของจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งคืออะไรอตีตวังนั่นแหละเทียบเท่ากับอายุของจิตดวงหนึ่งหรือมีขนาดล่วงไปแล้วเทียบเท่ากับขนาดจิตหลายดวงหลายดวงในที่นั้นก็คือยังถึงความตั้งอยู่นั่นแหละย่อมมาถึงครองของประสาททั้งห้า หรือครองของทวารห้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารูปารม์ที่ล่วงไปแล้วหนึ่งขณะจิตมาถึงครองของจกักขุทวานเมื่อผวังไหวสองขณะหรือเมื่อเหตุที่รูปารมมาถึงครองครองของทวาร น, นั้นปัญจทวารลวัชนะจิตก็ย่อมเกิดขึ้นตัดกระแสผวงังนึกถึงรูปารม์ทวังนั่นนั่นแหละแล้วก็ดับไปจากนั้นก็ลำดับถึงปัญจทวารลวัชนะจิตเหล่านั้นก็คือจักรขูวิญ ญ, ญาณเห็นรูปารม์ นั่นเองสัมปติชนะก็รับรูปารมสันติระนะก็พิจารณารูปารมโวฒภนะก็ตัดสินรูปารมย่อมเกิดขึ้นลําดับไปตามลําดับถัดจากนั้นน่ยกามเมวจรชโนะยีสิบ้าดวงดวงใดดวงหนึ่งซึ่งได้ปัจจัยแล้วย่อมแล่นไปเจ็ดวาระโดยมากแล ะ, ะทัารมณวิบากอีกสองขณะซึ่งติดตามโชนะย่อมเป็นไปตามสมควรต่อจากนั้นก็มีการตกภวังนั่นทีเดียว อธิบายลักษณะอย่างนี้อันนั้นคืออธิบายแบบคร่าวๆถ้าขยายขยายขยายไงบอกอารมณ์ห้าคือรูปอารมณ์เป็นต้นใช่ไหมมีขนาดร่วงไปแล้วเทียบเท่ากับขนาดจิตดวงหนึ่งเป็นต้นคืออารมณ์ห้ามีรูปอารมณ์เป็นต้นมีขนาดที่เป็นอายุของร่วงไปแล้วเทียบเท่ากันกับขนาดของจิตที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปดวงหนึ่งเนี่ยเทียบเท่าไปแล้วหรือมีขนาดร่วงไปเทียบกับขนาดของจิตที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปติดต่อกัน ลหลายดวงคืออารมณ์ห้าเนี่ยถ้ามันตั้งอยู่เนี่ยจิตนั้นจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเ่ยหลายดวงอายุของเขาจริงจะดับไปครั้งหนึ่งคําว่ายังคงยังถึงความตั้งอยู่คืออารมณ์นั้นถึงถีติขณะยังไม่ถึงพังคะขณะถ้าพูดถึงในเรื่องของอารมณ์เนี่ยดูตรงนี้อันนี้สมมุติจะเป็นอธิมาแต่ลมเนี่ยมสมมุติเลยเนีน่ยนี่อารมณ์ห้าใช่ไหมเที่ยขณะเกิดขึ้นร่วงไปแล้ว หนึขนาดจิตเนี่ยเข้าสู่ครองอันนี้ก็เรียกอติมหันตารมณแต่ถ้าหลังจากผีติขนาดของอติอติมหันตารมมาแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกขนาดตั้งยังไขนาดตั้งนี่ขนาดตั้งนี่ขนาดตั้งอันนี้เป็นขนาดดับยังไแยกให้ออกอย่างเงี้ยคืออารมณ์ทั้งห้านั่นแหละอารมณ์ทั้งห้านั่นแหละทีนี้ ถามว่าในขณะไหนในขณะเกิดของอารมณ์หรือในขณะตั้งของอารมณ์ถึงจะเข้ามาสู่ครองของทวารก็ต้องบอกว่าในขณะตั้งอารมณ์นั้นต้องขนาดตั้งคือตีถีตีขนาดของอารมณ์ย่อมมาถึงครองทวารทั้งห้าคือมาถึงครองของจักขูทวารโสตทวารคารณทวารชิวหาทวารและกายยทวานเนี่ยมาถึงตรงไหนอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเนี่ยนะีหลายๆกลุ่มนี่นะตั้งอยู่ในตำแหน่งของตนของตนเนี่ย ย่อมมาถึงคลองของจักขุทวานและโสตตวานเป็นต้นเนี่ยนะคือมาถึงระยะที่มีอนุณหภูมของอะไรของจักรขุปัสสัดหรือโสตปตประสาดเนี่ยแผ่ไปรับกระทบได้มองเห็นไม่มคือเขาสามารถที่จะแผ่ไปรับกระทบได้ก็แปลว่าตอนนั้นจักรขุปัสสัดเป็นต้นเกิดเกิดขึ้นเนะ่ยเขาก็ท่องถึงความของการแผ่ขยายได้สามารถจะรับได้ส่วนอารมณ์ที่เหลือมีคันตารลมเป็นต้นคนุณลยะคืออย่างนี้โสตะ ประสาทอื่นเขาจะจักระประสาทกระโสตประสาทเนี่ยเขาจะแผ่แผ่ไปรับเพราะเขาไม่ได้กระทบกันเหมือนกันกันกบทางทวารลิ้นทวารกายและทวารใจใช่ไหมเพราะทางทวารลิ้นทวารกายทวารใจเนี่ยอารมณ์นั้นต้องเข้ามาถึงแล้วเช่นถ้าอาหารก็ต้องแปะอยู่บนปลายลิ้นแล้วแต่ถ้าทางจักขะประสาทจักขะทวารโสตทวารเนี่ยอารมณ์นั้นไม่ใช่มากระทบชิดติดนะ แต่ด้วยอำนาจของจักขู่ประสาทนั้นแผ่ขยายเข้าไปรับเอ้าไหนุชิตมองเห็นไหมเนี่ยข้าแผ่ขยายไปรั บ, ชนนยยรบใช่ไหมแผ่ไปไปรับกระทบได้ส่วนอารมณ์ที่ถ้าทางจมูกไม่ใช่คานะประสาทแผ่ไวรับเนี่ยคนละอย่างกินนั้นต้องเข้ามากระทบเลยใช่ไหมถ้ารสอาหารรสเปรี้ยวหวานมันเค็มก็ต้องมากระทบที่ชิวขาประสาทเลยถ้าโพธาภะอยู่ห่างๆนี้ไม่กระทบเนีย ต้องติดอย่างเงี้ยถึงจะกระทบฉะนั้นคารนประสาสตชิวหาประศาทกายะประสาสตไม่ใช่แผ่ไปรับไม่เหมือนกับจักครูประสาทกับโส ต, ตเตอร์ปราศาสตร์นะครับ ต, <c oughs> ต้องแผ่ไปรับ <c oughs> ต้องแผ่ไปรับ <c oughs> ต้องแผ่ไปรับเสียงถ้าเสียงมามาใกล้ชิดจริงๆเนี่ยรับไม่ได้เลยไม่ได้เลย ไม่ได้เสียงก็มีอจะก็ถแต่ว่าเสียงนั้นเข้ามาสื่อโสตฯแลงมสฮะเพราะว่าอำนาจของายงัวโสตแัได้ไงใช่คิดว่าเสียงก็กระทบเมือัานดใช่อาจารย์ขยายาเฉลี่ยขยายะลองดูทีคือถ้าถ้าเอาเสียงเนี่ย ที่ที่โสที่โส ต, ตสาศาสตร์จริงๆเนี่ยยัไม่ได้มีคือต้องมีต้องมีช่องว่า <c oughs> คือคือตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากไปดูในโครงสร้างของหูเนี่ยนะถ้าดูโครงสร้างของหูแล้วเข้าใจทันทีเลยใช่ไหมลักษณะของโครงสร้างของหูเนี่ยเวลาเสียงมากระทบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คลื่นเสียงใช่ไหมคลื่นเสียงเนี่ย ลักษณะของเสียงลักษณะของคลื่นเสียงเนะี่ยที่แผ่เข้าไปเนะี่ยที่แผ่เข้าไปเนะี่ยแท้ที่จริงแล้วเนะี่ยมันไม่ได้ไปกระทบจริงๆเสียงนั้นเนี่ยเสียงนั้นมันมันไม่ได้ไปกระทบจริงๆน ะ, นนนนะๆนะเออถ้าจะย ก, ย, า ย, ก ย, า ย, ยกตัวอย่างยกยังไงเดียยกตัวอย่างเช่นว่าลักษณะของจักขคูพศาสตร์ชั้นใดโสตัปพศาสตรสก็ลักษณะคล้ายกันอย่างนั้นเลยทีเดียวถามว่าเอะถ้าจักรคูพศาสตรแผ่ไปรอบนี่ไม่สงสัยใช่ไหมถามว่าอาจาหากต้องต้องมีภาพไหม ต้องสีปรากฏไหมถ้าเสียงะอะชิดเก่าหัวเแท่ที่จริง่ยตัวไอตัวมยถ้าต้องดูก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าใจตรงนั้นในคำว่าแผ่ขยายเนี่ยก็คือปริมาณเขานี่เพียงพอน่ น, นิ<ใ>นเพียงพอในการที่จะรับ คือโดยสรุปคือให้รู้ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาแผ่ขยายขึ้นไปรับแล้วเสียงนั้นไม่ใช่เสียงมาชิดติดไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นซึ่งต่างกันกับทางทวารอื่นเช่นทางกลิน่นถ้ากลิ่นเนี่ยต้องกระทบจริงๆต้องกระทบกันกับคานประสาทจริงๆ จ, ง จ, งจึงจะสามารถรู้รสนั้นได้เออรู้รู้กลิ่นนั้นได้ ถ้ารอดก็คือจะต้องมากระทบที่ชิวหาวประสาทจริงๆเพราะตัวชิวหัวประสาทนี่มันอยู่ข้างนอกเลยนะมันอยู่ข้างนอกเลยเหมือนจักรุประสาทใช่ไหมเหมือนกับจักรุประสาทเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เยื่อมันไม่ใช่เยื่อตานี่มองใช่ไหมมันไม่ใช่เยื่อตาเจ็ดชั้นนะไอ้เยื่อตาเจดชั้นซับอยู่เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตรงนั้นใช่ไหมถ้าลอกเยื่อตาออกยังไม่ถึงจักรุประสาทเลย นั่นไม่ใช่ตรงนั้นเพให้เข้าใจตรงนั้นนั้นเขาจะต้องมีกําลังเบียงพอในการที่จะแผ่ขยายในการที่จะสามารถ it. รับเสียงนั้นได้หรือรับรับรูปรือรับภาพนั้นได้ทั้งๆ ท, ท, ที่รูปภาพนั้นไม่ได้มาถึงไม่ได้มาถึงเขาอย่าไปคิดว่ามาถึงรูปภาพหรือเสียงนะี่ยไม่ได้เข้ามาถึงหรือเข้ามาชนประสาทนั้นๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่อํานาจเขาในการที่แผ่ขยายที่ไปรับหรือว่าสามารถที่จะเป็นปัจจัยรับได้ปรากฏได้นั่นเอง ถามว่าปรากฏได้เพราะอะไรปรากฏได้เพราะว่าสาเหตุคือเขาสามารถเป็นปัจจัยให้เกิดจักรวิญญาณได้ไอย่างยกตัวยอย่างเช่นอาศัยตาอาศัยรูปไหมอาศัยตาอาศัยรูปเกิดจักรวิญญาณเห็นไหมาการประชุมกันเนี่ยสงธรรมะสามประการ น, นี้จึงเรียกผัสสะผัสสะก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาสุขเวทนาบางทุกเวทนาบังอุเบกขาเวทนาบา ง, าาบางถ้าลองไปดูใน อาทิตตปเริยยโูตดูดีพุทธิยาตรัสดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนใช่บอกอะไรเราเป็นของร้อนบวกตาเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนจักขู่วิญญาณเป็นของร้อนจักขู่สัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรือทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะ ไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพ่อชาติชรามรณาโศกาบริเทวะทุกขโทมนาสักอุปาญาตในในิยสเดางสูตรเนี่ยผู้เจ้าเวลาศึกษาตรงนี้ก็คือต้องการให้ตรึกลงขนาดนั้นนะไม่ใช่อยู่กันแค่วิถีตรงนี้จริงๆนะใช่ไหมให้มองให้เห็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆให้รู้ว่าเขาแผ่ขยายนะถ้าตามนยิยสตรงนั้นทางทวานตาทวานูแต่ถ้าทางทวานจมูกทวานลิ้นทวานกายเนี่ยอันนี้ต้อง อารมณ์นั้นมากระทบอันนี้เรียนมั้งแต่จุลตรีมั้งจุลตรีแต่ไม่ค่อยชัดใช่ไหมเวลาใครสอนจุลตรีต้องต้องอธิบายให้ดีตรงนี้ต้องอธิบายให้ดีทีนี้ส่วน อ, อัเพราะฉะนั้นต้องมาถึงตัวภูตรูปอันเป็นที่ตั้งของคาร์นาปราศาสตเป็นต้นคือจะภูตารูปของเขาก็คือมาถึงอะไรถึงพวกกลุ่มมหาภูตรูปเป็นต้นที่ที่ที่มีชิวหาปราศาสที่มีคาร์นาปราศาสต ที่มีกายประสาทตั้งอยู่มองเห็นใช่ไหมเพราะในกลุ่มของคานา菩萨ที่คานา菩萨ชิวหาส菩萨กายะ菩萨เนี่ยอันนี้เป็นอุปาทายรูปเนีเป็นรูปที่อาศัยอาศัยมหาโพธิโ ร, รอีกทีหนึ่งมองเห็นใช่ไหมฉะนั้นเอกจะต้องมีดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอชามีอวิภพรูปแปดเนี่ยกลุ่มพวกนี้ตั้งอยู่ก่อนใช่ไหมแล้วจึงมีคานา菩萨 เขาเรียกคานทศกกราบกราบที่มีจํานวนรูป10ใช่ไหมรูป10หรือชิวหาทศกกระลาบในกราบที่มีจํานวนรูป10บกายยะทศกกราบกราบที่มีจํานวนรูปสิบเนี่ยในกลุ่ม10แต่ละ10รูปเนี่ยในในคานภาษาทเนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มนะครับคานะทศกกราบเนี่ยในนั้นมีดินน้ําไฟลมทีนี้ภูทรูปนั้นน่ยก็แปลว่าอะไรกลิ่นนั้นน่ยนะคันธารลมนั้นน่ยจะต้องมาถึงภูทรูป คือจะต้องมาถึงมหาโพธรูปนั้นจะต้องถึงกรรมหาโพธรูปถึงจะสามารถที่คานะปราสาส์จึงจะสามารถสัมผัสกลิ่นนั้นได้ถ้าคันธารลมหรือกลิ่นนั้นไม่มาถึงภูรูปกล่าวคือดินน้ําไฟลมที่เป็นที่ตั้งของคานะปราสาส์คขารับไม่ได้แต่ทางจักรคูทวารโสตทวารเนี่ยจักรุู่ปราสาส์โตสตทวัสศาส์เนี่ยเสียงนั้นไม่ได้มามาชิดติดกันกับจักรคูประสาส์ หรือติดกันกับภูทรูปที่เป็นที่ตั้งของจ้ากุปษศาสตร์หรือไม่ได้มาชิดติดกันกับไอ้ภูทรูปที่เป็นที่ตั้งของโสตประศาสตรนะแยกให้ออกก็ไม่ใช่เขาเขามีอํานาจการแผ่ขยายในการที่จะรับแต่ไม่ใช่แผ่วิ่งเอาไว้อํานาจปัจจัยในการที่จะก็แผ่รองรับแล้วก็เป็นปัจจัยให้กับวิญญาณคือจิตเป็นต้นเกิดได้จึงเรียกว่าแผ่ขยายเออให้เข้าใจตรงนั้นนี่ชัดเจนตรงนั้นนะนะส่วนทั้งชิวหาประสาสตก็ต้อง อาหารเป็นต้นหรือรถต่างๆต้นต้องตั้งอยู่ที่ลิ้นก็คือ road, together, ต้องถึงภูเะารูปเหมือนกันกายยะประสาทก็ต้องถึงอย่างนี้เป็นต well ้นเนี่ยเขาจึงจะสามารถเกิดขึ้นมาได้ทีนี้ส่วนถามว่าเมื่อเข้ามาถึงแล้วเนี่ยนะเมื่ออารมณ์เหล่านั้นนมาถึงแล้วเช่นถ้ารู้ปารมณ์เ <ihrem> ข <hn> ้ามาสู่คลองของจักรประสาทสัทธารมณ์เข้าสู่คลองของโสตประสาท คันธารมและสารมโผล่ทะมก็ต้องชื่อว่าเข้ามาสู่คลองของภาษาแต่การเข้ามาถึงต่างกันแยกออกกันไหมตรงนี้มันต่างกันในการเข้าถึงเข้าถึงชิดติดกับเข้าถึงแบบประเภทที่สองทวาร น, นั้นก็แผ่ขยายไปิลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเข้าถึงคลองของทวาร น, นั้นๆทีนี้มหาภูทรูปมันเป็นที่ตั้งของคันธารมเป็นต้นนั้นนะก็ต้องจดถึงภูทรูปมันเป็นที่ตั้งของคานประสาทเป็นต้นเสียก่อน ถามว่ามาแล้คันธารมคือกลิ่นเนี่ยที่มันจะลอยเข้ามาสู่คลองของคานาประสาทเนี่ยมันมาเฉพาะคันธารมหรือมหาพูทธโปมาด้วยมันไม่ใช่ไม่มีดินน้ําไฟลมลอยเข้ามานะใช่ใช่แต่มันมีมันมีดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอชะแล้วก็ในนั้นมีมีกลิ่นเนี่ยนีคันธารมนั่นเละดินน้ําไฟลมสีกลิ่นเห็นไหมไอกลิ่นตัวเนี้ยเ น, น, นี่ยกลิ่นในนั้นแหละแหละ มหาพุทธโลกเป็นประธานแต่ในที่นี้เอากลิ่นใช่ไหมเอาม า, มาเอากลิ่นเรียกชื่อกลิ่นนั่นแหละเพราะพราะกลิ่นต่างหาเป็นปัจจัยให้เกิดเออมามาเป็นตัวที่กระทบคานะประสาทกลิ่นต่างหาเป็นตัวกระทบเป็นตัวนแล้วจึงจะเป็นปัจจัยให้เกิดคานะวิญญาณเป็นต้นเราอย่าไปคิดว่าโอ้มันมาแต่กลิ่นนะที่มันมาเน่ยมหาพุทธโลกมาแล้วบางทีนั้นหนาด้วยทั้าไปมหาพุทรูลกที่เข้ามา หลายกลุ่มมากอย่างเต็มปึกเต็มจมูกเลยซ้ำไปวิ่งเข้ามาหนาแ น, น, น่นเ น, นี่ยหนาแน่นในจมูกเต็มไปหมดเนี่ยถ้าท่านผู้มีปัญญาตาดีทั้งหลายมองเห็นเนี่ยโอ้ยจะเห็นมหาพุธิโลกวิ่งเข้าไปหาเลยนะวิ่งผู้เข้าไปเลยกองเต็มอยู่ตรงนั้นนะท่านเห็นไงแต่อย่างเรามองไม่เห็นจะดูกลิ่นเกิดดับนี่ดูยากเอกินย่ไม่ไหมฮะ พระพระพุทธเจ้านี่ไม่ธรรมดานะพระธรรมของพระองค์เนี่ยนะคําสอนของพระเจ้าไม่มีนะที่เพิเศไปไม่ได้เป็นของจริงเลยเนะ่ยเป็นของจริงนี่เป็นอย่างนฉะนั้นคันธารมเป็นต้นนั้นจึงชื่อว่าเข้ามาสู่ครองของคานณทวาลเป็นต้นแล้วก็เป็นเหตุอุบัติของวิญญาณต่อไปเนะนี่ยเนี่ยเข้ามาเป็นเหตุอุบัติของวิญญาณต่อไป คือเป็นเหตุของการเกิดขึ้นนะฉะนั้นอารมณ์คือกลิ่นและรสแม้เป็นไปในกลุกล่มรูปและคนละกลุ่มก็เชื่อมาถึงครองได้เชื่อมาถึงครองได้โดยการที่พูทธรูปอันเป็นที่อาศัยของตนจรดถึงตัวพูทธรูปนีอันเป็นที่อาศัยของคารณะปราสาสชิวหาปราศาสตรเป็นต้นนั่นเองก็เป็นเหตุให้อารมณ์คือกลิ่นได้มากระทบคารณะประศาสตรอารมณ์คือรสอะเป็นต้นนะมากระทบชิวหาปราศาสตร แล้วก็โดยการจรดถึงตัวกันส่วนอารมณ์คือโผฏฐพะก็มีอะไรบ้างอะโผฏฐพะมีอะไรบ้างอัพก็มีอะไรมีพูทธรูปสามนะมีปทวีเตโช ว, วาโยเวนอาโปเชื่อมาถึงครองโดยการที่พูทรูปสามนั้นมาจรดถึงกายยปัาสตถ์เหมือนกันไอพิจารณังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้ปารมณ์ที่ล่วงไปแล้วหนึ่งขนาดเจ็ดแล้วถึงครองของจากจากักรุทวานเนี่ย พราะเหตุที่อารมณ์ทั้งห้าต้องมีอายุล่วงไปแล้วหนึ่งขณะจิตคือรูปารมณ์สัทธารมณารมและสัลรมโพธิอารมณ์เนี่ยล่วงไปแล้วหนึ่งขณะจิตอย่างนั้นเรียกว่าอะไรเนะี่ยอติมานดารม์อารมณ์นะนะั้นน่ะปัญญารมณ์นั้นเรียกว่าอาตีมานดารมหรือถ้าหลายขณะจิตเพราะฉะนั้นถ้าหากรูปารมณ์ที่มีอายุล่วงไปแล้วหนึ่งขณะจิตมาถึงครองจากขุทวารแล้วก็ย่อมเป็นเหตุให้วิถีจิตในลำดับแห่งภวังค์ก็จะไหไหวใช่ไหมไหวอีกครั้งสองขณะ ขณะแรกเรียกพระวังขจารนาขณะที่สองเรียกพระวังคู่ประเฉทะพวังขจิตหนึ่งขณะที่ล่วงไปพร้อมกันกับอารมณ์ก่อนจะมาถึงครองดังกล่าวท่านเรียกว่าอติตาพระวังแต่ว่าพระวังที่ล่วงไปแล้วถ้าอรมเมียยล่วงไปมากกว่านั้นคือเทียบเท่ากันกับหลายๆขณะจับตั้งแต่สองขณะขึ้นไปจนถึงครองแล้วก็ล่วงไปแล้วก็เรียกว่าอติตาพระวังหลายขณะนั้นก็เรียกชื่อไปตามวิธีนั้นๆเนีนย เขก็ขให้รู้ที่นี้ในการที่เขาล่วงไปหนึ่งขณะแล้วมาปรากฏในทาวารเนี่ยแล้วต่อจากนั้นก็คือไอ้ตัวผวังนะั่นแหละไหวสองขณะขณะแรกเป็นผวังกจัจจายนะขณะที่สองเป็นผวังคู่ปเฉทาเนี่ยถามว่าเพราะอตีภวังอตีตาภวังผวังกจัจจายนะผวังคูป่ปเฉทาเขามีอะไรเป็นอารมณ์นี่เก็บรายละเอียดนะตอนนี้เขามีอะไรที่มีกรร ม, มอารมณ์กรร ม, มนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะ ที่รับมาจากพบก่อนเมื่อใกล้จะตายทีนี้ผวังธรรมดาเนี่ยยังไม่มีอารมณ์ผ่านเข้ามาแต่พอผ่านเข้ามานั่นเขาเรียกอตีตาผวังแต่ถ้าหากอารมณ์นั้นเข้าสู่ครองประสาททั้ง5้ามีจากหุประสาทเป็นต้นก็เรียกผวังคจรนะคือไหวนั่นเองเป็นไหวนั่นเอง <c oughs> คือเข้ามาอยู่ในตําแหน่งแต่การที่เขาจะเป็นปัจจัยเกี่วิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นแล้วต่อไปไม <c oughs> เขามีอารมณ์เขาประจําอยู่แล้วลงผวังเมื่อไหร่เขาก็มีอารมณ์ ใช่เขามีอารมณ์เขาตลอดทีนี้ถ้าดูต่อไปบอกว่าพระวังขาจารนาพระวังคู่บัณทิตาจำเป็นต้องมีสองขณะเป็นต้นไปไหมก็ต้องบอกว่าต้องมีเป็นต้นไปในหลักท่านอธิบายเหมือนบุรุษที่วิ่งมาด้วยความเร็วแม้จะหยุดวิ่งก็ย่อมจะไม่อาจจะหยุดได้ฉับพลันทันทีย่อมจะต้องก้าวเท้าแล้วก็เซไปสองครั้งแล้วจึงจะหยุดได้เช่นั้นว่าไง ฉะนั้นในภวังขจิตสองขณะนั้นจิตขณะแรกเพราะเหตุที่เกิดขึ้นโดยการสั่นพร้อมกันกับปัจจัยแก่วิถีจิตด้วยอํานาจการกระคบแห่งอารมณ์กับอะไรกับประสาทท่านเรียกผ ว, วังขจารนะขเขแปลผวังไหวขณะที่สองมีอาการไหวด้วยนะแต่พราะเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นให้วิถีจิตคือตัวเองพ้นจากความเป็นผวังแล้วตรงนี้ในผวังตรงที่สองก็พ้นจากความเป็นผวัง ท่านจึงจัดว่าเป็นการนับเข้าไปตัดความสืบต่อของผวังกจิตเหมือนอย่างนั้นท่านจึงเรียกผวังคุปเฉฐะเาขาแปลว่าผวังที่เข้าไปตัดความเป็นไปของผวังแต่พระนุรุทธาจารย์ไม่ได้เพ่งถึงความสําคัญของชื่อเพ่งเฉพาะอาการสั่นไหวที่เหมือนกันเท่านั้นจึงกล่าวโดยไม่แตกกันว่าเป็นผวังขาจาระนาสองขณะแยกให้ออกนะในอภิธรรมมาตรสังขารพระนุรุทธาจารย์ไม่ได้แยก ท่านไม่แยกเป็นพระวังก็จะแล้วนะพวังคู่ปเจิตต์ท่านเรียกเป็นพระวังก็จะแล้วนะสองสองคณะให้เข้าใจอย่างนี้นเวลาศึกษาจับให้มันละเอียดอย่างนี้จะได้ชัดเจนขึ้นทีนี้ท่านบอกว่าเมื่ออารมณ์มากระทบที่ประสาทการที่วิญญาณอนาศัยอยู่ที่ประสาทนั้นจะเกิดขึ้นสั่ด้วยอํานาจของการกระทบนั้ น, นะ<ร>ก็สมควรอยู่ใช่ไหมตรงนี้เขามีจุดในการดีท้วงขึ้นก็นนแต่ว่าพระวังเน่ยหาได้อาศัย อยู่ที่ประสาทนั้นไม่พระวังอาศัยอยู่ที่อะไรพระวังไม่ได้อาศัยอยู่ที่ประสาทคือจักขุ่ประสาทพระวังไม่ได้อาศัยตาแต่ทําไมพระวังจึงไหวพระวังอาศัยอะไรเกิดอาศัยหัตถยัตถูกเกิดหัวใจเนี่ยแต่ไออานาจของไอรูปารมณ์ยังไม่สีมากระทบกับประสาทตาเป็นต้นเนี่ยแต่ทำพระวังที่อยู่ในในหัตยานะ่าณไหวได้ยังไงมองเห็นไหมมันไกลกันนี่ ถ้ามนุษย์ก็กลายเป็นศอกถ้าอสุริน德าหูก็กลายเป็นหลายร้อยยอดกลายเป็นยอดยดอ เ, อเอางี้สีใช่ไหมสีกระทบเข้าสู่ครองของจกักรุทวานเสียงเข้าสู่ครองของโสตทวารทีนี้พระวังเนี่ยอาศัยหัตถเยวัตถุกเกิดไม่ได้อาศัยตาเกิดไม่ได้อาศัยหูเกิดแต่ทําไมยึงไหวแต่นวันนี้มองออกไหมตรงเนี้ใช่ไหมไหวได้ยังไงใช่ไหม เราบอกอี้ผวางเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้อาศัยประสาท ต, ตานีประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายนะ <Okay. S 1> แต่เขาอาศัยหัตยัวัตถุผวังอาศัยอยู่ที่หัตยะวัตถุสําหรับผวังผู้อาศัยอยู่นะที่ไม่ได้อยู่อารมณ์มากระทบนั้นก็เกิดจากการสั่นไหวด้วยด้วยน่นนคตมันจะเป็นยังไงตรงเนี้ยถามว่าเราจะแก้ยังไงเขาบอกว่าภวังแม้แต่จะอาศัยอยู่ที่หัตยัวัตถุ การที่จะเกิดการสั่นขึ้นได้ก็ด้วยก็ควรอยู่เหมือนกันเขบอกก็ควรอยู่เหมือนกันเพราะพระวังในปัญจโวกาการภพุ่มนั้นเป็นไปตามสัมพันธ์กันกับรูปด้วยอำนาจในความสืบต่อเนื่อ ง, อองถึงกันคื อ, นอในปัญจโวกระพุมเนี่ยพระวังนั้นเน่ยเขาสืบเนื่องกันกับรูปเนืเมื่อเขามีความสืบเนื่องผูกพันกันกับรูปเนี่ยการที่เขาจะไหวก็น่าจะควรอยู่อ่ะถ้าพูดแค่นี้เขาบอกบัณฑิตจะเห็นได้ด้วยการอุปมาใช่ไหม ท่านกาัลปมมาบอกว่าเมื่อมแมลงวันมาเกาะอยู่บนก้อนกรวดเวล า, มาแมลงวันจับอยู่บนก้อนกรวดเนี่ยที่ตั้งอยู่บนพื้นของกรองข้างหนึ่งใช่ไหมข้างหนึ่งเมื่อเขา้าเมื่อเขาใช้วัตถุมีไม้เป็นต้นตีพื้นกรองอีกข้างหนึ่งเขาไม่ได้ตีก้อนกรวดไม่ได้ตีมแมลงวันนะขั้นก้อนกรวดนั้นสั่นไหวไปตามความไหวของของตัวกองนั้นแล้วมแมลงวันก็จะอันบินหนีไปฉันใดเมื่อประสาท ถูกอารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นมากระทบแล้วเนี่ยนะมีจักขู่ประสาทถูกรูปารมณ์มากระทบเป็นต้นเนี่ยเมื่อมหาพูทธรูปอันเป็นที่อาศัยของประสาทนั้นไหวก็แปลว่าประสาทตาเนี่ยไอ้มหาพุทธรูปเนี่ยในประสาทตาเนี่ยมันหวขั้นหัตถยะถูกสั่นไหวไปตามความสั่นไหวของอุปาทยัยโรคตรงนี้พระวังซึ่งอาศัยหัตถยะถูนั้นก็ย่อมเป็นเ ป, นเปนตต า, าการที่สั่นไหวนั้นเหมือนกัน อาจารย์ธรรมา อ, อาจารย์ธรรมธรรมปาลกล่าวไว้ในสัจจาสังเขปกล่าวว่าบันฑิตพึงกล่าวคำพูดว่าเมื่อวัตถุอย่างหนึ่งมีจักขู่วัตถุเป็นต้นถูกอารมณ์มีรูปเป็นต้นกระทบความสั่นไหวแห่งพวังอานาสัยหาทยตถุอย่างใดอย่างหนึ่งคือหาทยตถุย่อมมิได้ตามความเกี่ยวเนื่องกัน โดยการอุปมาก้อนกรวดอันว่างอันวางบนพื้นกลองคือว่าให้ให้อุปมาอย่างนั้นอุปมาชั้นใดอุปมาอีก็อย่างนั้นก็งั้นทีนี้พระวังกจิตเปรียบเหมือนมแมลงวันลองเห็นไม่มตัวพระวังกจิตเนี่ยมาดูชีเห็นนะพระวังกจิตเหมือนมแมลงวันหาทะเยอถูกเหมือนก้อนกรวดประสาทเปรียบเสมือน ก, นกันกับพื้นกลองที่ส่วนที่ถูกตีหน้ากองเนะี่ยมันกว้างก้อนกรวดหเม็ดเล็กๆ วางอยู่แล้วก็มีมแมลงวันไอ้แมลงวันเหมือนพอวังที่ไหวอะ่ะไอ้ก้อนกลวดเหมือนหัตถยาวัตถุไอ้ตัวพื้นกองนี่เหมือนเลยประสาทเหมือนกับพื้นกองที่ถูกตีประสาทแน้นอุปาทรูปที่เหลืออันสัมพันธ์สืบเนื่องกันกับมหาพุทโธเป็นที่อาศัยของประสาทเปรียบเสมือนตัวกรองอารมณ์เปรียบเสมือนกันกันกบไม้ไม้ที่ยมเตียเนี่ยเเมื่ออารมณ์มากระทบประสาทแล้วก็ทําให้มหาพุทโธเป็นที่อาศัยของ ประสาทสั่นไหวอุปาทัยรูปมันเนื่องอยู่กับมหาพุทธรูปนั้นก็พลอยสั่นไหวไปตามสืบต่อไปถึงหัตถเยาวาถูกหัตถเย้าถูกที่สั่นไหวแล้วก็เป็นเหตุให้ผวังแลจิตเกิดขึ้นไหวไปตามสองขนาดจิตนี่ได้อุมารักษณอันนี้เอามาในอภิธรรมวัฏสงสารนะแต่มีปัญหาแปลกันนะตรงนี้เขาบอกจริงๆหัตถเยาวาถูไหวหรือหรือผวังที่อาศัยหัตถเยาวาถูไหวในนี้บอกว่าหัตถเย้าถูกนไหวด้วยเห็นไหมจริงจริง จริงๆ <พ MU S 1> ถ้าศึกษายาละเอียดยิบเลยนีทีนี้ปัญจทวารละวชนะจิตนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นตัดกระแสผวังอันนี้ตัดแน่นอนเลยเนี่ยตัดกระแสผวังปัญจทวารละวชนะจิตย่อมเกิดขึ้นซึ่งเพราะเหตุที่จิตดวงนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยกระแสผวังคือความสืบต่อไปของผวังหยุดไปจึงเหมือนการตัดกระแสผวังเหล่านั้นเขาตัดกระแสผวังจริงๆเลยเลยแปลว่าผวังนั้นขาดแล้วขาดทันทีผวังนั้นเกิดอย่างกระน้ำไหลอยู่ใช่ไกระแสผวังนี่ เกิดไม่ขาดสายอยู่แล้วเมื่อมีปัญจาทวารวัชนะจิตเกิดขึ้นแล้วก็มีการตัดกระแสภวังทันทีนี่ต้องเข้าใจอย่างนั้นทีนี้คำว่านึกถึงรูปารมณ์หรือพิจารณารูปารมณ์ที่เราเรียกกันเนี่ยปัญจทวารวชนาจิตที่เกิดขึ้นนั้นย่อมเป็นไปด้วยกิตของตนกิตของตนคือทาหน้าที่อาวัชนาจิจอาวัชนากิจมีการนึกถึงอารมณ์ที่ถึงครองทวาร น, นั้นนั่นเอง ถ้าอารมณ์นั้นไม่มาถึงครองทวาร น, นั้นปัญจทวารราชนะจะนึกถึงได้ไหมนึกถึงอารมณ์ได้ไหมต้องอาศัยอารมณ์นั้นมาเข้าสู่ครองของทวารก่อนคือเป็นไปราวกับทาการคํานึ่งว่านี่อะไรหรือนี่แลนระูปรูปอารมณ์เป็นตนน้นนะคํานึ่งเหมือนอย่างนั้นท่านใช้คําว่าเหมือนอย่างนั้นแล้วก็ดับไปต่อมาจากขูวิญญาณซึ่งเห็นรูปอารมณ์นั้นแหละจากขูวิญญาณเนี่ยซึ่งมีกิจคือการเห็นคือทัศ น, นกิจเนี่ยนะ เห็นั่นแหละโดยประจักษ์เมื่อเพื่อประโยชน์แก่การรับไว้ซึ่งรูปอารมณ์แห่งจิตดวงถัดไปก็แปลว่ารูปอารมณ์นี่นเน่ยยังตั้งอยู่จิตดวงถัดไปน่ะดับแล้วคืออวชนะเนี่ยตัวจกักขุวิญญาณก็ทําทัศนกิจในการดิกิจที่เห็นกิตที่เห็นประโยชน์เพื่ออะไรแก่การรับไว้ซึ่งรูปอารมณ์แห่งจิตดวงถัดไปเพื่อจะเป็นประจัยกับจิตดวงถัดไปด้วยที่รับไว้เนี่ยเห็นไหมช่ว จักขุนรีคือจักขูประสาตถเนี่ยถามว่าไอตัวเห็นเนี่ยใช่จักขูวิญญาณหรือจักขูปัสสัตถเพราะจักขุนสีเนี่ยเขาบวกเป็นใหญ่ในการเห็นตัวจักขุนรีองค์ทําได้แก่จักขูปัสสัตถเอาละสีตอนี้ใช่ไหมงั้นถ้าจะศึกษาละเอียดมันต้องมันต้องเอาให้ให้ชัดตรงนี้ว่างั้นหรือการเห็นรูปอารมณ์หาใช่จักขูวิญญาณไม่เพราะตรัสว่าจักขุนารูปังทิสวาเห็นรูปด้วยจักสูเนี่ย จักรูเนี่ยหมายถึงอะไรบอกว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เท่ากล่าวกันเพราะจักรคุณสีน่ะเป็นรูปธรรมจักุูศาสตรจักรคุณสีเนี่ยเป็นใหญ่เนี่ยนะไม่มีความสามารถในการเห็นรูปารมณ์คือเห็นสีเห็นภาพเพราะรูปธรรมทั้งหลายเป็นธรรมชาติมืดบอดมืดบอดไหมเขาไม่สามารถที่จะเห็นได้ก็ถ้าจักรคุณสีนั้นเห็นรูปารมณ์ได้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจักรคุณสีนั้นแม้เป็นไปพร้อมกับจักรญานอื่น ที่ไม่ใช่เป็นไปพร้อมกับกบวิญญาณอื่นที่ไม่ใช่จากจากวิญญาณนะก็ย่อมมองเห็นภาพได้สิทา ง, งนะั้นนะยกตัวอย่างเช่นในขณะที่คนนอนหลับเนี่ยแต่ตาลืมอยู่เนี้ยหรือนอนหลับหูก็ไม่ได้ปิดเนี่ยนะตอนนั้นนะ่ยจิตที่เป็นไปกับวิถีจิตอื่นตอนนั้นประสาทก็เกิดจากขุนรีก็เกิดโสตินทรียก็เกิดคาณินทรียก็เกิ ด, กกดชิวหินทรียก็เกิดกายินทรียก็เกิดถามว่าตอนนั้นทําไมไม่รับอารมณ์เลย ถ้าเขาทํากิจในการเห็นนะก็มองเห็นชัดว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทําทัศน ก, กิจเป็นต้นนะนะ่ยเขาไม่ได้ทํากิจในการเห็นมองเห็นตัวเนี้นะนั่นเวลาตรงนี้พอเราไปดูสิหมายโดยจิตเวลาแปลจากขุนสีเป็นใหญ่ในการเห็นใช่ไหมซอตินรีก็เป็นใหญ่ธรรมชาติที่เป็นใหญ่ในการได้ยินฉะ้นพอแปลอย่างเงี้ยคนเราบอกโอ้ยตัวเนี้ยเป็นคนตัวได้ยินไม่ใช่วิญญาณทีนี้จากขุนศีเนี่ยนะ ก็ดำรงอยู่ตลอดเวลาไม่มีวิญญาณที่เรียกว่าจักขูวิญญาณอาศัยแล้วในเวลานั้นก็ไม่มีวิญญาณอื่นเป็นไปในการที่จะเห็นรูปหรือเห็นสีถ้าไม่มีจักขูวิญญาณในวิถีเนี้ยหมดสิทธ์นะครับทั้งทังที่จักขุนสีก็เกิดตลอดจักขุพัสสาก็เกิดตลอดแต่กิจในการเห็นเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นกิจในการเห็นนะจึงเป็นกิจของจักขูวิญญาณทัศนกิจ ตัววิญญาณที่อาศัยจากขุนศีนั่นเองที่จะสำเร็จเกดในการที่จะเห็นรูปารมณ์คือเห็นสีหรือจะเห็นรูปารมณ์ที่มีวัตถุทึบมีฝาเป็นต้นน่ะนะหรือว่าเห็นวัตถุใหญ่โตกว้างกวางหรือเล็กน้อยเพราะมีความถามว่าหากรูปารมณ์นั้นเป็นวัตถุทึบมีฝาเป็นต้นกลางก้านไว้ก็ไม่สามารถที่จะก็มีความมีเหตุขัดข้องนะแสงสว่าง ไม่ถ้าไม่มีแสงสว่างนี้ก็เกิดไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมก็เกิดไม่แต่สําหรับรูปารมณ์ที่ตั้งอยู่ด้านในวัตถุใสมีแก้วผลึกเป็นต้นวิญญาณ น, นี้จะเห็นได้ทีเดียวเพราะไม่มีความขัดข้องด้วยแสงสว่างเนียเห็นรูปด้วยจักขคูเนี้ยพึงทราบว่าเป็นนิสยโวหารเนีเข้าใจคําว่านิสวรญโวหารไหมเหมือนคําบอกว่าเตียงทั้งหลายกระทําซึ่งการร้องไห้อันมีความหมายว่าบุคคลผู้นอนอยู่บนเตียงนั่นเองร้องไห้ คือคำคำนี้บางทีท่านกล่าวกล่าวพาดพิงไปถึงอย่างเห็นรูปด้วยตาเนี่ยเป็นการกล่าวพาดพิงไปถึงว่าวิญญาณที่อาศัยตาต่างหากเป็นผู้เห็นใช่เป็นกาเป็นนิสยาหวหารเป็นวัวหารที่ที่มุ่งมุ่งไปที่ที่อาศัยดัยงที่ได้กล่าวไงที่บอกว่าที่บอกว่าเตียงทั้งหลายกระทาซึ่งการร้องไห้โอ้ยเตียงอะเตียงอะร้องไห้จริงๆริงเตียงร้องไห้ไม่ได้แต่คนที่ร้องไห้ได้ ให้เข้าใจอย่างแมนเสียจะได้ชัดเจนตรงนี้เนี่ยเวลาบอกว่าจากักขุประศาจักขุนศีเป็นใหญ่ในการเห็นอันนั้นพูดแล้วหมายถึงว่าจักขุนรีเป็นที่ตั้งของจกักขุญญานเพื่อมาทำกิจเห็นเนี่ยแต่การพูดของคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องคนมีปัญญาเท่านั้นถึงจะอย่างถึงถ้าอย่างนั้นก็ก็เหมาะแล้วนะที่นันตัสรเนี่ยนะเ <c oughs> ขเหมาะสมจริงๆนะ สำหรับสัมปติชนะจิตนั้นนะ่ะรับรูปารมณ์นั่นแหละคือสัมปติชนาจิตเนี่ยเป็นประดุดว่ารับเอารูปารมณ์ที่จักขุญยานเห็นแล้วนั่นเองเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาเหงจิตดวงถัดไปเพื่อประโยชน์แก่จิตดวงถัดไปนะี่สันติรณกิจก็พิจารณารูปารมณ์สันติรณจิตก็เป็นดุดถึงว่าไตรสวนไตรสวนรูปารมณ์ที่สัมปติชนะรับมาแล้วประโยชน์ในการที่จะ ให้จิตในโวธภนะจิตตัดสินต่อไปโวธภนจิตนี่ตัดสินรูปารม์คือมโนทวารวชนะหรือโวธภนะนี่นะดุดการตัดสินอารมณ์ที่สันติระณะได้พิจารณาแล้วกามชาวนะดวงใดดวงหนึ่งซึ่งได้ปัจจัยแล้วปัจจัยจากอะไรปัจจัยจากโวธภนะปัจจัยมีโยนิโสมนัสิการและอโยนิโสมนสิการของโวฒภ น, นะนั่นแหละเป็นปัจจัยให้กับอกุศลชวนะหรือกุศลโวนะเกิดขึ้น ก็แล่นไปเจ็ดวาระโดยมากเมื่อแล่นไปเจ็ดวาระโดยมากคุณทราบชัดว่าท่านใช้คําว่าโดยมากเนี่ยก็เพราะว่าความที่บางคราวเป็นไปย่อนกว่านั้นก็มีเช่นเวลาสงบเนี่นะเวลาใกล้ตายเป็นต้นนมองเห็นใช่ไหมมีอะไรบ้างนะอติตรุณการการเกิดวิสัญญีพุทธกาลการสลบมรณาการคือการตาย การใกล้าตายมรณาสนานการเนี่ยส่วนตทารมณจิตสองขนาดซึ่งติดตามโชนะย่อมเป็นไปตามสมควรตามสมควรก็คือว่าตัารมณจิตมีสิเอเป็นไปตามสมควรนะีนะดวงใดดวงหนึ่งเป็นไปสองขนาดนะติดตามโชนะไปในรูปรล์ที่ยังมีอายุเหลืออยู่เพียงเพื่อที่จะให้ตัฐารามณ์สองขนาดนะเกิดได้ตามสมควรตามสมควรแก่ตทารมณ น, นิยม เพราะทัารมณ์นิยมนั้นจะเป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามชาวนาเป็นไปตามสัตว์บุคคลนั้นนเช่นทุกขติเหตุกบุคคลสุขติเหตุกบุคคลทวีเหตุกบุคคลโซดาสกาทานาคาเนี่ยนี่ยก็ว่าไปตามลำดับที่ทัารมณะจะเกินไปได้ตามชาวนาก็คือว่าชาวนาอะไรเกิดนะตามอารมณ์ก็คือชาวนานั้นรับอารมณ์อะไรเป็นไปตามอารมณ์ที่อติมันตอารมณ์เท่านั้นย่อมติดตามชาวนาที่เป็นกางชาวนาเท่านั้น จะไม่ตามชาวนะที่เป็นมหากคติาชาวนะเป็นต้นน่ยนะนั่นก็ไปดูข้างหน้าต่อจากนั้นก็มีการตกภวังเมื่อตะทาธรรมนั้นจิตสิ้นสุดลงก็มีการตกผวังจิตที่เป็นไปดุดความเป็นไปสู่วิถีจิตกลับมาก็นับว่าเป็นผวังเป็นวิถีมุตจิตคือพ้นจากวิถีเนีน่ีลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นในอัตถกถาท่านจึงอธิบายที่เคยพูดไปแล้วนี่แหละเหมือนคนนอนหลับอยู่ใต้ต้นมะ ม, ม่วงนนเนี่ย การแห่งพะวงการณจเหมือนการที่บุรุษนั้นนอนหลับใช่ไหมการที่อารมณ์มากระทบประสาทเหมือนกับการที่มะม่วงตกการที่ปัญจทวารละชนะจิตเกิดขึ้นเหมือนการนึกถึงอารมณ์ของของบุรุษที่ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงของมะม่วงตกลงมานะั้นหรือเวลาที่จักขุญญาณเกิดขึ้นเห็นรูปอารมณ์ก็เหมือนกับที่ว่าบุรุษนะั้นลืมตาดูหรือสัมปติชนะรับอารมณ์ก็เหมือนกับบุรุษนะั้นหยิบมะม่วงขึ้นมา หรือเมื่อสันติระนาเกิดก็เหมือนกันกับบุรุษนั้นบีบมะม่วงบีบผลมะม่วงหรือวอธัธรรมนาเกียก็เหมือนกับตัดสินอรม์เหมือนกับบุรุษนั้นบอกว่ามะม่วงนี้ตัดสินว่า <c oughs> เอ๊ะนี่มันสุกแล้ววธัธรรมนาเหมือนอย่างนั้นการที่ชาวนาแล่นไปเจ็ขนาดเหมือนบุรุษนั้นบริโภคกัดเค <c oughs> ี้ยวกินเนะ่ยมะม่วงนั้นส่วนวาตฐารอำนานั้นเหมือนกับที่บุรุษนั้นกินมะม่วงอยู่ในปากแล้วก็กลืนทั้งเสมาเข้าไปผวังกจิตก็เหมือนกันกับบุรุษคนนั้นหลับต่อนี่ล ในการที่ออก็อุปมาเนี่เอามาซ้ําเดิมนะทีนี้ดูว่าในนิยามต่างๆเนี่ยนะในอัตสาลีนีท่านบอกว่าพีชนิยามการกําหนดไปแห่งพืชอุตุนิยามความกําหนดไปแห่งฤดูกาลกรรมนิยามก็คือความกําหนดแน่นอนแห่งกรรมธรรมนิยามความกําหนดแน่นอนแห่งสิ่งที่มีความเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาส่วนจิตตนิยามนี่ข้อกําหนดแน่นอนแห่งจิตใช่ไหมเวลาเราจะศึกษาวิถีจิตก็ต้องดูดูตรงนี้ ในห้าอย่างนั้นน่ะถ้าพืชพีชนิยามีความแน่นอนอย่างพืชนี้ยกยังไงดีดอกทานตะวันจะต้องหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ไอเถาย่านสายจะต้องมุงมุ่งหน้าไปหาต้นไม้อย่างเดียวผลมะพร้าจะต้องมีรูอยู่ตอนบนอันนั้นคือความแน่นอนของพืชในความนีนน้เขเรียกพีชนิยามการที่ผลไม้ผิดดอกออกผลและใบอ่อนๆพร้อมที่เดียวกันในสมัยนั้นๆก็ชื่อว่าอุตุ อุตโตนิยามเออถ้าหากยุคนี้หน้านี้เนี่ยผลไม้นี่ออกดอกออกผลเนี่ยนี่คือความแน่นอนของอุตุกส่วนที่การที่กรรมนั้นๆให้วิบากเหมือนกับกรรมนั้นๆเป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมที่เป็นติเหตุกะก็ให้วิบากที่เป็นติเหตุกะกรรมที่เป็นทวิเหตุกะก็ให้วิบากเป็นทวิเหตุกะอย่างนี้เป็นต้นนี่ยอย่างนี้เขาเรียกเป็นความแน่นอนหรือกรรมที่เป็นอเยตุกะใช่ไหมมาจากกรรมที่เป็นทวิเหตุกะอย่างอ่อนอย่างนี้เป็นต้น อย่างนั้นเขาเรียกความแน่นอนของกรรมนี่มองเห็นนะนตัวกรรมกับผลของกรรมเนี่ยมันเป็นมันเป็นความแน่นอนเป็นอย่างนี้แต่คําว่าแน่นอนนี่ขึ้นอยู่กับความไม่เที่ยงด้วยนะรมดําให้บากดํากรคำขาวให้บากขาวอ๋อมันแยกได้หลายอย่างแต่จริงๆก็คืออย่างนี้โดยหลักก็คือว่าความแน่นอนของเขาเนี่ยความแน่นอนของเขาว่าถ้ากรรมแบบเนี้ถ้ากรรมชั่วเนี่ยวิบากต้องชั่วเนี่ยถ้ากรรมดีต้วงวิบากต้องดี กรรมที่ประกอบด้วยปัญญาวิบากก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาอันนี้คือความแน่นอนของเขามี่ชัดเจนครับทีชัดเจนถึง น, นั่นเขาเรียกกรร ม, มนิยามส่วนความวันไหวแห่งหมื่นโลกธาตุในคราวที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถือปฏิสนธิหรือในคราวที่ออกจากพระครั์มารดาหรือในคราวตรัสรู้ในคราวที่ประกาศธรรมจักในคราวที่ปรองกชนมายุสังขาตรตลอดถึงสเสด็จดับขันพระนิพพานเนี่ยปรินิพพานเนี่ยเรียกว่าอะไร ธรรมนิยามแปลว่าอะไรเออความข้อกำหนดแน่นอนอย่างสิ่งที่มีความเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาเหมือนอันนี้จังทุกขังหน้าตาเนี่ยเป็นธรรมดาหมเป็นธรรมดาธรรมนิยามก็แปลว่าแน่นอนธรรมนิยามก็คือความแน่นอนของเอ๊ะบางทีเรามองไม่ออกกันใช่ไหมบอกเออไ อ, อ, อ, อความแน่นอนของเหมือนกับการว่าเอ๊ะทาไมมารดาของพระโพธิสัตว์จึง ประสูตดแล้วเจ็วันเนี่ยที่วงคดเนี่ยอันนี้เป็นอะไรอะเป็นธรรมะธรรมเนื้อทำไมพระโพธิสัตว์จึงอยู่ในครันแล้วจึงนั่งนั่งขัดสมาธิเนี่ยไม่นอนคดคู่เหมือนเด็กทารกทั้งหลายนี่นินเป็นธรรมดาเลยทําไมต้องสิบเดือนนี่เ น, นี่นี่เป็นแน่นอนเนื้อเป็นความแน่นอนของขอ ง, ของธรรมเป็นกรรมธรามความแน่นอนของกรรมที่จะต้องได้รับอย่างนั้นทำไมทําไมทําไม ทำไมเราจรึงเป็นอย่างนี้ทำไมเราไปอยู่ที่ไหนมีแต่คนตําหนิติชินทําไมมีแต่คนยกย่องสารเสริญเนี่ยนั่นแหละคือความแน่นอนของเหตุที่สั่งสมมาดีแล้วความแน่นอนของกรรมเขาส่งผลวิบากเขาได้โอกาสได้จังหวะเขาก็ผลิตวิบากออกมาก็ เ, าเป็นเรื่องธรรมดาของเขาที่จะต้องเป็นเช่นนั้นแต่ในใจของคนคนนั้นดีไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่นะ โกรธบ้างโลภ บ, บ้างหลงบ้างหรือว่ามีกุศลเกิดบ้างก็ตรึกพิจารณาต่างกันแต่ถามว่าเมื่อกรรมหรือบาปของกรรมเขาแน่นอนอย่างนี้ความเป็นธรรมดาของพระธรรมก็แน่นอนอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นธรรมดาได้ไหมเออถ้าเรายอมเราเข้าใจตามความเป็นจริงเนี่ยก็เรียกเห็นธรรมดาได้แต่เห็นธรรมดาได้เห็นเกิดดับเนะ่ไม่ใช่ <c oughs> แล้วผิดเขาเรียกวิ ป, ปริตมนสิกานครับ คือวิบประหลิตรมนัสการไม่ใช่คือตรงนั้นเขาเรียกทิฏฐิทิฏฐิ เ, เขาเรียกวิบปลิตมนัิการก็คือไปมนัสการผิดพลาดเอยงยอกตัวอย่างเช่นโอ้ตรงนี้พวกพท่านเจ้าว่าแรางกันนะอย่างพวกเราทั้งหลายนี่นะเป็นกันทั้งผู้คนนะครับเอยงยอกตัวอย่างอย่างงี้ไอ้สิ่งที่มันไม่งามเราไปเห็นว่างาม สิ่งที่ไม่เที่ยงไปเห็นว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์เราไปเห็นว่าเป็นสุขสิ่งที่เป็นอนัตตาเราไปเห็นว่าเป็นอัตตาอย่างนี้ท่านเรียกว่าวิปริตมณสิกานเป็นปเราเนี่ยเป็นมณสิการผิดพลาดแล้วก็มันไม่ใช่เป็นจริงอย่าง น, านั้นแต่เราไปเห็นอีกอย่างก็สิ่งที่ไม่สวยเราไปชื่นชมว่าสวยสิ่งที่มันไม่ได้ดีเราชื่นชมว่าดีอ่งี้นะถ้าสวยก็คือดีนะครับในกลุ่มของดีทั้งนั้นเนี่ยเราไปชื่นชมเมื่อคนนั้นดีนะ ทั้งๆ ท, ที่ไม่ใช่ก็ไม่ได้จเจริญกุศลไม่ได้มีมรรคผลเป็นแก่นสารไม่มีข้อปฏิบัติอะไรเลยที่จะเรียกว่าดีแต่เราบ อ, อกว่าดีเนะเห็นไหมนี่เขาเราียกวิปผลิตมนุษการมันเห็นเช่นนี้จริงๆนะมาคิดโดจริงบา ง, งนคนเลยอ้างตรงนี้เลยบาง ค, คนบอกอย่างนีมน้มันเหมือนอย่างงี้เหมืนอมนคําว่าปุถุชนเนะี่ย ที่บอกว่าอ้างว่าปุตุชนแต่ก็ทํา บ, บาปต่อไปเนี่ยยอย่าไปทํางั้นนยนะถ้ารู้ว่าเป็นปุตุชนก็รีบเยรบเร่งเลย บ, บ, บางคนบอกว่าเรามันเป็นปุตุชนเนี่ยชอบพูดกันบ่อยนะนักษาพระพิธามเนี่ยก็ผมยังเป็นปุตุชนถามว่าเป็นปุตุชนถามแล้วแล้วก็ยินดีในบาปต่อไปหรือเปล่าถ้ารู้ว่าเป็นปุตตชนเนี่ยพัฒนาที่จะเป็นอริยบุคคลไหมถ้ายอย่างนี้สังหาเขาเรียวกว่าไม่ประมาณ แต่บอกกูเป็นผู้โจนแต่เพื่อจะอ้างเพื่อทำบาปเนี่ยต้องระวังเนะ่มันมีจริงๆนะเนอะอ้างเพื่อจะทำบาปอ่ะก็ <ๆ S 1> ก็ฉันไม่ใช่พระนี่ท่านก็ว่างนะั้น <laughs> ท่านเป็นพระท่านก็ทำให้ได้ที่มานะนีะพอไปอ้า ง, อ ย, าง อ, อย่างนี้ก็ถามว่าแต่เป็นยังไงเขาก็ยินดีอย่างอื่นต่อไปอย่างเก่าต่อไปนี่เป็นอยังงั้นเออให้ให้รู้ความความคำว่าแน่นอนตรงนี้เสียเนี่ยจะได้แล้วก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป ส่วนข้อว่าเมื่อประสาทถูกอารมณ์มากระทบผู้ทาดีผู้ทาก็ดีผู้ใช้ให้ทาก็ดีว่าติดว่าตัวท่านนั้นจงเป็นผู้ชื่อว่าอาวชนะเป็นต้นเนี่ยตัวท่านจงมีชื่อว่าชาวนะเป็นต้นเนี่ยหามไม่มนี่เขาท่านปฏิเสธว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มีผู้บงการนะว่าตัวท่านต้องไหวตัวท่านต้อง ตัดกระแสพระวางตัวท่านต้องอาวชนากิจตัวท่านต้องทัศนากิจสัมปติชนะกิจสันติระนากิจหรือตัวท่านจะต้องทํากิจในการวอดทะพนากิจหรือตัวท่านจะต้องทําหน้าที่ชวนากิจหรือแตถารพนากิจไม่มีไม่มีตัวผู้บงการเช่นนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าในขณะที่ประสาทเป็นต้นมากระทบแล้วในรูปารมณ์เป็นต้นมากระทบประสาทแล้วในจิต คือกริยามโนธาตุนะ่ยหยุดยัง้งเพราะวังกัจิตไว้จากขูวิญญาณย่อมทําทัศนกิจวิบากธาตุต่างๆก็ย่อมทําสัมปติชนะกิจสันติระนากิจหรือกริยามโนธาตุก็ทําหน้าที่โวอดทัพนกิจชวนะก็ย่อมเสวยอารมณ์ตามธรรมดานั้นๆนั่นเองอย่างนี้ชื่อว่าจิตตนิยามจิตตนิยาม วิถีจิตย่อมเป็นไปตามลำดับตามความสามารถคือเป็นความแน่นอนเขาว่าทําไมจิตดวงนี้เกิดขึ้นและดวงนี้ต้องเกิดต่อนี่เขาเรียกเป็นจิตตนิยามเนะเป็นความแน่นอนของจิตที่จะต้องเป็นไปอเช่นนี้ถ้าอย่างนั้นน่ยคิดไปคิดมามันเหมือนคนไปจัดสรรไปบงการเนะเพราะมันมันมีหลายปัจจัยเละเกินที่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมมีทั้งกำกำกับอยู่ด้วยแล้วก็มีทั้งอารมณ์กํากับอยู่ด้วย มีทั้งประสาทมีจักขครประสาทเป็นต้นเกี่ยวยเกี่ยวข้องอีกหลายปัจจัยเยอะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าความแน่นอนกันของจิตจิตนิยามเป็นเช่นนี้เนี่ยเข้าใจอย่างนั้นเพราะในขนาดผ่านไปก็มีขณะมีสิบเจ็ดขณะโดยเกี่ยวกับจิตตบาตรเขาเรียกบริบูรณ์แล้วที่เป็นเป็นวิถีจิตตับาตรจริงๆก็มีสิบสี่ขณะใช่ไหมถ้าจิตตบาตรทั้งหมดก็มีสิบสี่ทีนี้ว่าถ้าผวางล่วงไปหนึ่งขณะ แล้วก็ไหวอีกสองขณะก็เป็นสามขณะใช่ไหมในสามขณะนั้นแปลว่าอารมณ์นั้นยังไอวิธีนั้นยังไม่ใช่วิธีจิตหนึ่งร่วงไปหนึน่งขณะไหวหนึ่งขณะตัดกระแสผวงังอีกหนึ่งขณะส่วนที่เป็นวิธีจิตจริงๆนั้นน่ะสิบสี่สิบสี่ขณะจิตขเร็กจิตตุบบาทสิบี่ขณะแทนนั้นอารมณ์นั้นจึงชื่อว่ า, าติมหันตารมณ์คืออารมณ์ที่มีอายุร่วงร่วงไปเมื่อเทียบกับเท่ากับจิตและหนึ่งขณะแล้วจนถึงของรัตวานนะ เรียกันว่าอาติมหันตารม์ส่วนมหันตารมณ์อันนี้ไม่มีอะไรเลยนะขยายแบ่มหันตารมณ์ส่วนมหันตารมณ์นั้นน่ะก็คืออารมณ์นั้นล่วงไปแล้วสองขณะถึงสขณะจนไปถึงครองของประสาทใช่ไหมฉะนั้นเมื่อล่วงไปสองหรือสามขณะดูในภาพได้นะ 2- อสขณะนี่ก็จะเห็นเลยว่าอารมณ์นั้นเสียไปแล้วอายุที่เหลือให้จิตเกิดขึ้นหรือเป็นที่ตั้งให้กับวิถีจิตนั้นจึงเหลือเท่าไหร่ เหลือประมาณสิบห้าหรือสิบสี่ขนาดจิตใช่ไหมเหลือสิบสี่หรือสิบห้าหรือสิบี่ขนาดจิตแล้วก็จะสิ้นอายุพอสิ้นสิบสี่ขนาดจิตแล้วเนี่ยหมายเอาว่าในคาที่อารมณ์นั้นล่วงไปแล้วสามขนาดแล้วจึงมาถึงครองก็มาอยู่ที่ก็คือสามถ้าหากว่าสิบสี่ขนาดนี้เหลือไหมอารมณ์ยังเหลืออยู่หนึ่งขนาดจิตไหมตอนท้ายยังเหลืออยู่หนึ่งขนาดจิตทศธาล้ำน้าไม่สามารถที่จะเกิดได้ ตถารมนะไม่สามารถที่จะเกิดได้เพราะในที่สุดแห่งไม่มีตถารมเนะนะเมื่อวิถีจิตเป็นไปเพราะอารมณ์หมดอายุเสียก่อนก็ย่อมมีผวังกจิตนั่นแหละเกิดขึ้นตามลำดับในที่สุดแห่งชาวนะในวิถีนี้มีการตกกระแสผวังถามว่าถามว่าถ้าหากบอกว่าแล้วตถารมณ น, นี่แหละอารมณ์ที่เหลือหนึ่งขณะนี่แหละสามารถที่จะเป็นปัจจัยกับตถารมจิตเกิดได้ไหม ตถารัมหาิตในเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นสองขณะแต่ถ้ารมีอายุเหลือไม่เพียงพอให้ขนาดจิตเกิดสองขณะดตะทารัมนก็ย่อมไม่เกิดในบาลีปฏิจจสุมาทิพพ์วอกพระพุทธวิภาคเจ้ากำหนดความบุบัดเกิดขึ้นของตทารัมนไว้สองวันละแม้ในอัตถาถาสามโมหวิโนทนีก็กล่าวไว้ชัดเจนว่าตทารมพันนีทเวใช่ไหมก็คือว่าตทารัมนาจิตสองวันละแล้วในตถารมณ ทีนี้ในปรมัตถวิชัยในปรมัตถวิชัยนะท่านบอกว่าตาทารามนาเนี่ยย่อมเกิดขึ้นหนึ่งหรือสองวาระอาวชนะเป็นต้นเกิดวาระเดียวดังนี้ได้คำนั้นบัณฑิตทราว่าท่านกล่าวคล้อยตามมติของมชิมาพานกาจารย์นะคืออาจารย์ผู้สอนคำพีหรือประการมชมนิกายแต่เพราะเหตุที่วาทะของมชมาพานกาจารยนะ์ถูกปฏิเสธแล้วทีเดียวในอาตกถาสามโมหวินโนทนี ตรงนี้เวลาพวกเราศึกษารายละเอียดกั น, นก็จะบอกว่าท่านปฏิเสธไว้ปฏิเสธไว้ในสัมมมหะวินุวิโนโทนียตตกถาเพราะไม่เสมอกันกันกบพระบาลีคือพระบาลีตัดไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยตัดบอกว่าสองวาละก็ต้องสองวาละตามพุทธพจน์ตามปฏิเสธมุบาวิพังเนีเพราะฉะนั้นแม้ท่านอาจารย์เองก็ไม่ก็ไม่ถึงถึงความเกิดขึ้นอย่างวาละเดียวของตถาถานะไว้ในประกรณ์อภิธรรมสังขารและในประกรณ์น า, รนามรูปนามรูปบริเชษเนี ท่านท่านท่านอาจารย์อภานุรุธอาจารย์ก็ไม่ประสงค์เอาหนึ่งวาระเหมือนกันค่ะอาจารย์ที่สอนกับ